มิลินทาปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทาปัญหาเมนากะปัญหาอัธรรมวัตรสุริยโรคภ า, าวะปัญหาที่สามถามว่าพระอาทิตย์แผดแสงกล้าทุกเมื่อหรือที่แผดแสงกล้าบ้างอ่อนบ้างเพราะอะไร สมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามหากษัตริย์ขัตติยาธิบดีมีพระราชโอการตรัสถามปัญหาอื่นสื่อไปว่าพันเตนาคเสน่าข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาพระอาทิตย์นี้แผดแสงแรงกล้าตลอดการทุกเมื่อหรือว่าบางคราวก็แผดแสงอ่อนโยมมีความสงสัยขอพระผู้เป็นเจ้าจงชี้แจงถแถลงในให้โยมทราบในการบัดนี้พระนาคเษนจึงถวายพระพรว่า สภพกาลังมหาราชดุรานะบพิษพระราชสมภารพระอาทิตย์แผดแสงกล้าเป็นนิจจะได้อ่อนในบางคราวกล้าในบางคราวครั้งหามิได้บพิษจงทราบในพระทัยด้วยประการชนิสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ขัตติยาทิปดีจึงมีพระราชาองค์การตรัสถามต่อไปอีกว่ายธิพันเตนาคเสนะ ข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาถ้าพระอาทิตย์แผดแสงแรงกล้าเป็นนิดก็เหตุไรในบางทีจึงแผดแสงอ่อนบางทีจึงแผดแสงกล้าเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงถวายพระพรวิสัชนาว่าจะตาโรมีมหาราชาข้าแต่บพิษผู้เป็นมราชาแห่งชาวสาคละนครผู้ประเสริฐโรคของพระอาทิตย์มีอยู่สี่อย่าง พระอาทิตย์ถูกโรคใดโรคหนึ่งเบียดเบียนแล้วย่อมแผดแสงน้อยไปโรคสี่อย่างนั้นคือหมอกอย่างหนึ่งควันอย่างหนึ่งเมฆอย่างหนึ่งราหูอย่างหนึ่งพระอาทิตย์เมื่อโรคสี่อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเบียดเบียนย่อมแผดแสงอ่อนคือเมื่อถูกหมอกเบียดเบียนก็แผดแสงอ่อนเมื่อถูกควันเบียดเบียนก็แผดแสงอ่อน เมื่อถูกเมฆเบียดเบียนก็แผดแสงอ่อนเมื่อถูกราหูเบียดเบียนก็แผดแสงอ่อนดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินปูมินทราธิบดีเมื่อพระนาคเกษถวายพระพรวิสัชนามาดังนี้แล้วตรัสว่าอัจฉริยังพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเกษผู้ปรีชาประราชจรณนะพระผู้เป็นเจ้าแม้พระอาทิตย์มีเดชมาก สมบูรณ์ไปด้วยเดชเห็นป่านนี้ยังมีโรคบังเกิดขึ้นได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่โรคทั้งหลายจึงจักไม่บังเกิดแก่สัตว์อื่นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าการอธิบายจำแนกแจกจ่ายขยายความโยมยกให้พระผู้เป็นเจ้าผู้อื่นนอกจากท่านที่มีปัญญาเช่นพระผู้เป็นเจ้าแล้วเป็นอธิบายไม่ได้โยมขอรับจดจำไว้หน้าการบัดนี้ สุริยโรคะภาวะปัญหาเป็นคำรบสามจบเพียงนี้